ตอนนี้ไปเพึ่งพากันตั้งใจให้ดีตั้งใจให้เป็นปกติปกติของจิตนี่มันอยู่เฉยๆมันไม่ไปไหนมาไหนหรอก แต่ถ้ามันขาดสติแล้วมันไม่อยู่แล้วอยู่ไม่ได้มันต้องคิดจิตตังทันแปลว่าความคิดมันก็ตรงตัวอยู่แล้วนะดังนั้นจะไมาให้มันคิดไม่ได้ถ้าหากว่า ปล่อยไว้โดยลำพังนะที่มันจะไม่คิดได้ก็เพราะมีสติควบคุมโยเนี่ยให้เข้าใจสติไปว่าความระลึกได้คือระลึกเข้าไปที่จิตนั่นนะระลึกถึงจิตนั่นแหละจิตก็คือความคิดความคิดก็ออกมาจากความรู้ ให้เข้าใจอย่างนั้นแล้วก็เอาสติเข้าไปกำหนดความรู้อันนั้นนให้มันตั้งอยู่นิ่งๆให้มันปรุงแต่งอะไรขึ้นมาปวาหมายของการภาวนา เ, เนี่ยเบงนั้น <c oughs> มันคิดโดยไม่ ได้เจตนาโดยไม่มีเหตุผลนั่นใช่ไม่ได้คิดลอยๆไปเฉยๆเนี่ยมันไม่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรมีแต่เกิดความรำคาญใจขึ้นมาตัวเองรำคาญตัวเองหมายถางว่างั้นตัวเองห้ามตัวเองไม่คิดไม่ได้ จะเกิดความรำคาญขึ้นมาดังนั้นเราต้องมาสร้างสติสัมปชัญญะนี้ให้มันแก่กล้าขึ้นในดวงกิจนี้มันถึองอย่าควบคุมอิจดินี้ให้ตั้งมั่นอยู่ได้ให้เข้าใจอย่างนั้นการสร้างสติก็คือเราระลึกเข้าไปหา ความรู้นั่นนะอนี้อย่าระลึกไปข้างนอกอย่าระลึกไปทางอื่นระลึกอยู่ที่รู้นั่นเหตุนั้นท่านจึงให้นึกพุทโธนั่นแหละสาหรับผู้ที่จิตใจมักจะเลื่อยเปื่อยไปไม่ไม่ค่อยรู้อะไรไม่ค่อยนึกคิดอะไร ฉันจึงแนะนำให้นึกพุทธโธพุทธโธเกิดขึ้นตรงไหนกําหนดรู้อยู่ตรงนั้นนั่นแหละให้พุทธโธมันเกิดจากความรู้อันนั้นแล้วก็ให้อยู่กับความรู้อันนั้นแหะพุทธโธนั่นมันจึงยับยั้งใจไม่ให้คิดแส่สายไปทางอื่นได้ ถ้าวันนึกพุทธโธนี่ไปติดต่อกันไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็ดีกว่าที่เราคิดไปทางอื่นนะเพราะว่าไม่มีภัยอะไรต่อจิตใจเลยพุทธโธคุณคุณพระพุทธเจ้านี่นะไม่มีสิ่งใดจะประเสริฐเท่าพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้ว ดังนั้นเร็ต้องทำความเรื่อมใสทําความเชื่อมั่นในใจอย่างนี้เชื่อมั่นว่าพุโทโธนี่นะเป็นพระคุณอันประเสริฐหมายเขาว่าอย่างนั้นเป็นที่พึ่งอันล้ำเลิศไม่มีที่พึ่งอื่นยิ่งไปกว่านี้เรากำหนดในใจอย่างนี้นะ เมื่อกำหนดอย่างนี้แล้วเราก็ภาคภูมิใจว่าเราได้พระคุณอันประเสริฐมาเป็นที่ระลึกเป็นที่พึ่งอยู่ในใจนี้ mm hmm. ก็มีปีติความอิ่มใจ mm hmm. โดยฐานที่เราได้เกิดมาในชาตินี้นะได้เกิดมาเป็นคนแล้วก็ได้ ที่พึ่งอันประเสริฐ ด, ด้วยอแต่บางยุคบางสมัยก็พระเจ้าไม่มีคนเกิดมาแล้วก็ไปนึกเอาเทวดาอินพรมนั่นแหละมาเป็นที่พึ่งแต่เทวดาอินพรมน่นก็ยังมีกิเลสอยู่ยังก็ต้องเที่ยวตายเที่ยวเกิดอยู่เหมือนกันกันกบมนุษย์นี่แหละเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐได้ สำหรับพระพุทธเจ้านั้นเพราะองค์ทรงพระคุณอันประเสริฐหาที่สุดไม่ได้เพราะสร้างพระบรมีมานานนานหลายกับหลายกั น, น่านจึงยน่นลงว่าสี่อสงไขกับนะกับแสนกับอีกด้วยมีเศษด้วย มันไม่ทราบนานขนาดไหนแล้วนะเนี่ยเพราะฉะนั้นนะ่ะพระองค์จึงทรงพระคุณอนประเสริฐนั้นเนี่ยพระองค์สร้างความดีมามากเหลือเกินนะถ้าไม่มากแกงนั้นก็ไม่ได้ตัด ร, รู้เป็นพระพุทธเจ้าจําเป็นเมื่อชอบใจอยากแกเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเม่นนานเท่าไหร่ก็ยอมสู้ ไม่ว่าแต่บางท่านก็ท้อใจพอสร้างบารมีไประหว่างกึ่งกลางนี่แล้วด้ไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งที่มาสัตร้ในโลกนี้เมื่อพ ร, พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงพยานว่าโอ้ ย, ยังนานก็จะได้สัตรุอย่างนี้ ถ้าแนั้นก็กลับจิตอธิษฐานขอเป็นสาวกด้เลยเมื่อกลับจิตว่ามาขอเป็นสาวกเช่นนี้ท่านบำเพ็ญเพียรไปจเจริญธรรมถาอิาัสนาไปท่านก็สามารถบรรลุอรหั ต, ตผลได้ชาตินั้นอันนี้เป็นปฏิปทาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ดังนั้นน่ะกลัวว่าพระพุทธเจ้าแต่รับพระองค์จะได้มาตัดสู้ในโลกนี้ไม่ใช่ของง่ายๆดังนั้นพุทธบริษัทควรทำความเรื่องใสให้มั่นทีเดียว่ะ แล้วก็พยายามประคองคจิตใจตัวเองนี่แหละให้ตั้งมั่นอยู่ในพระคุณนี้ให้ได้เราอยากรู้จักว่าพระคุณของพระเจ้าวิเศษอย่างไรอย่างนี้ก็น้อมใจลงสู่ความสงบลองดูไม่ก่อเกี่ยวกับสิ่งใด <c oughs> เมื่อจิตสงบลงไปแล้วมันก็รู้ได้พอพ อ, พออนุมาณได้ว่าเออพระพุทธเจ้านี่พระองค์ทรงละอาสวะกิเลสขาดจากพระคันธสันดานก็โดยอาศัยความสงบนี่แหละเป็นพื้นฐานก่อนถ้าพระองค์ไม่ทำจิตให้สงบได้อย่างนี้ พระองค์ก็จะไม่ได้ตัดสู้สัมมาสัมโพธิญาณเลยเพราะว่าเมื่อจิตไม่สงบแล้วปัญญาไม่เกิดก็จะไม่มองเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารนี้โดยแจ่มแจ้งเมื่อไม่เห็นทุกข์เห็นภัยแล้วก็ไม่เบือ่อนนก็ย่อมคล้องอยู่ในโลกนี้ เป็นธรรมดาอันนี้ผู้ที่ไม่ได้ปาฐาณาเป็นพระพุทธเจ้ามันก็มีทุกข์เหมือนกันให้พากันดำริตรีตองให้ดีอันมีตัณหานี่แหละมันก่อให้เกิดทุกข์ไว่าใครๆที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในสงสารเนี่ยอาศัยตัณหานี่แหละ ขอให้เกิดทุกนานาประการนยให้พึงเข้าใจปันหามันก็เกิดจากจิตที่ไม่สงบนั่นแหละจิตที่ไม่สงบนั้นมันทำให้เกิดความอยากได้อนุนยากใส้อันนี้อยู่อย่างนั้นแหละพลิกไปพลิกมาคว้าอันนี้ได้เอาวางจากอันนี้ไปคว้าใส่อ น, นุนเหมือนกับลิง ที่กระโดดโลดเต้นไปในป่าคว้าใส่กิ่งไม้กิ่งนี้แล้ววางจากกิ่งนี้คว้าใส่กิ่งนั้นไปแต่ไม่ในป่านะมีน้อยต้นที่จะมีผลให้ได้บริโภคอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละจิตใจของคนเราเนี่ยเที่ยวเล่หลอนไปในอารมณ์ต่างๆนะ ไม่ค่อยมีสาระเก่นสารอะไรอารมณ์ต่างๆในโลกนี้น้อยอย่างที่จะมีสาระเก่นสารเหมือนกับต้นไม้อยู่ในป่านั้นน่มีน้อยต้นที่จะมีผลให้เลี้ยงได้บริโภคกันให้พากันเข้าใจความคิดหรืออารมณ์ของจิตใจ ว่ามันส่วนมากไม่มีสาระประโยชน์อะไรดังนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงวางระเบียบไว้ให้ผู้ทำใจให้สงบแล้วนะั่นมาเจริญปัญญาก็ให้กำหนดเอากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นอารมณ์ เครื่องเพ่งเครื่องพิจารณาไม่ใช่ทรงสอนให้พิจารณาปรำปราทั่วไปไม่ใช่ต้องให้เลือกสิ่งที่จะเอามาเป็นอารมณ์ของปัญญานี่หรือของจิตนี่โดยมากพระพุทธองค์ก็ทรงเลือกเอาขันห้านี้ก่อนอื่นทั้งหมด เอาขันห้านี่เป็นอารมณ์ของปัญญาปัญญานั้นเพ่งพิจารณาตรวจตราอยู่ในขันหานี้ทำไมเราจึงมาเพ่งที่ณาอยู่ในนี้ก็เพราะจิตใจมันยังไม่รู้แจ้งขันหานี้ยังยึดมั่นถือมั่นในขันหานี้อยู่ดังนั้นถ้ า, าละเลยขันหานี้เสีย แล้วจิตนี่มันก็หลุดพ้นจากทุกข์ในสงสารนี่ไปไม่ได้เลยเน่จะไปรู้สิ่งอื่นนุ่นมันก็ไม่เท่ากับรู้ขันห้านี้เพราะขันห่านี่มันเป็นที่อาศัยของดวงจิตจิตนี่จึงยึดถืออยู่ในขันห่านี้ไม่ยอมปลงไม่ยอมวางมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะ ก็จิงได้เป็นทุกข์เดือดร้อนนั้นเนเวลาขันห้านี่มันวิบัติแป ล, ป, ลปูนไปจิตนี่ก็แปลไปตามมันขันห้าเก่้าโศกเสีสสเยใจพิไรลำพันธต่างๆเพราะเสียดายอะไรในขันห้าหรือบางทีก็กลัวกลัวตาย เพราะมันสำคัญว่าเราตายนี่มันจึงได้กลัวนั่นะงมันสําคัญว่ามีเราอ่ะมันเป็นไงมันสําคัญว่ามีเรามีเขาทําใจเข้มแข็งไม่ได้เลยทําไมถึงว่าอ่อนพับเหมือนกับยอดไหวถูกไฟลนไออย่างนี้น่ยมันจะไป คนทุกได้ยังไงอ่ะนอนอยู่หมดคืนนะยังไม่รู้จักอิ่มอ น, นี่ลนยะคนเราเนานธรรมเนน้อยอุปถาพระอรหันห้าร้อยลูกเกิดตั้งใจมีศรัทธาอุปถาจริง แต่เอาไปเอามานี่ก็มันเหนื่อยอ่ะไม่ได้หลับได้นอ น, นบนสิแบบนี้นนี้เรานี่ทํำแต่กิจธุระเกี่ยวกับอุปถาตพระเถระเหล่านี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยตายตายแล้วก็เลยไปเกิดเป็นกาลนาคอยู่ใน กลนบาดาลนูน่นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมาตัดสรู้ในโลกเมื่อพระองค์เสี่ยงถาดทองคำถาดทองคำจมลงไปกระทบกับพื้นหินเสียงดังแล้วจึงค่อยตื่นขึ้นค้างหนึ่งแล้วก็ไปเก็บ เอาถาดทองคำนั้นไว้ข้าเสร็จแล้วก็ไปนอนอีกนอนหลับอยู่นั่นจนร่าพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สองลงมาเสียงถาดทองคำถาดทองคำไหลขึ้นไปเบื้องเหนือแล้วก็จมลงไฟกับไฟกระทบกับ ถาดทองคำขององค์ที่หนึ่งนั่นากาลนาคก็ตื่นขึ้นครั้งหนึ่งพอตื่นขึ้นมาแล้วแหมวันวา น, วานนี้ก็ตรัสรุไปแล้วองค์หนึ่งแล้ววันนี้ก็มาตรดสรุ้อีกเพราะองค์หนึ่งแสดงความชื่นชมยินดีแล้วก็ไปเก็บถาดทองคำนั้นอ เอาไว้ทางใต้เอาถาดพระพุทธเจ้าพระองค์ที่หนึ่งนั้นไว้ข้างบนเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์มาตัดสรุ้ก่อนในพัฏกาบีในแก่พระกโกสันโธเลยมาตัดสรุ้ก่อนเพื่อนดังนั้นเนี่ยความหลับความนอนนี่ มันก็เป็นกรรมอันหนึ่งเหมือนกันเนี่ยเมื่อบุคคลได้ชอบหลับชอบ น, นอนมากๆจะเน่กรรมมันก็แต่งให้ไปเกิดเป็นงูเหลือมถ้าไม่ไปเ ป, เป็นกาลนาคก็ดี Duncan. ให้ไปเกิดเป็นงูเหลือมงูเหลือมเนี่ยมันชอบนอนเน่ะนอนอยู่อย่างนั้นเนี่ยท่านพอมีสัตว์อันใดอันหนึ่งเดินมา ใกล้ๆกับตัวเข้าไปอย่างนี้แต่ก็ตื่นขึ้นก็ตื่นขึ้นแล้วก็กอดรัดเอาสัตว์เหล่านั้นมากินเป็นอาหารอันนี้เป็นตรรมเนียมของงูเหลืม่มอันหนึ่งดังนั้นเน่คนเราถ้าชอบหลับชอบนอนมากๆอย่างนั้นเน่ย กรรมมันก็แต่งให้แล้ะต้องให้ไปเกิดเป็นงูเหลือมเป็นอย่างนั้นกรรมนี่มันยุติธรรมเพราะแต่ใจมันชอบอย่างไรกรรมมันก็แต่งให้ไปอย่างนั้นต้องพิจารณาดูคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระ อ, องค์ทรงยกเรื่องกาลนาคมาสแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟัง ก็เพื่อที่จะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้รู้อำนาจแก่ความหลับความนอนให้ฝึกตนทรมานตนทำใจเข้มแข็งทำสติให้เข้มแข็งทำความรู้ตัวอยู่เสมอไม่ลืมตัวเอาชนะความง่วงให้ได้ เมื่อเอาชนะคงวงไม่ได้ก็ไม่ได้รู้แจ้งในธรรมของจริงธรรมของจริงมีอยู่ต้งตองอยู่ก็รู้ไม่ได้แต่เเครมหลับไปอยู่งั้นมันจะ อ, อะไรมารู้ได้อยู่นั้นถ้านนี้มันจะรู้แจ้งในขันหานี้ได้มันก็เพราะอาศัย จิตใจนี่สงบแล้วก็บเบิกบานผ่องใสทถนท่าวัจน้สงบเป็นสมาธิจริงๆความง่วงมันก็หายไปมันไม่ได้มาครอบงมกายใจของคนอยู่ได้พระวัจนี่มันเป็นใหญ่กลัวกายพอใจเบิกบานใจสงบเข้าไปเท่านั้นมันก็มีอนุภาะ สามารถทำให้ร่างกายนี้สดชื่นอยู่ได้นี่ก็อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเน่ต้องพิจารณาให้ดีอย่าให้ความง่วงมันครอบงำทันห้าอันนี้มันก็อย่างว่ามานั่นแะมันเกิดมาต่เมื่อไหรอ่อะ มันถ่ายทอดกันมาเป็นทอดทอดถ้าเราจะย้อนหลังคืนไปว่าเราเอากำเนิดเกิดเป็นขันหานี่ขึ้นมาแต่เมื่อไรนี่ไม่มีทางจะรู้ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ก็รู้ไม่ได้ว่าชาติวรมเกิดนี่เนะี่ยมันมันตั้งขึ้นมาแต่เมื่อไร เขาองค์ก็รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงได้ทรงตรัส้วยว่าวัฏฏะสงสารอันเนี้ยเบื้องต้นไม่ปรากฏแต่ปรากฏในเบื้องปลายอะไรที่เบื้องปลายปรากฏความตายนั่นแหละความตายมันปรากฏจริงๆเลยแต่วันนี้ในตอนต้นนั้น ไม่ชราว่าชีวิตจิตใจอันนี้มันตั้งเข้าขึ้นมาแต่เมื่อไหร่เนี่ไม่มีใครรู้เลยเพระองค์เจ้าจึงมารู้เอาตอนที่พิจารณาปฏิจจสมุปบาทว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยเนี่ยจึยงให้เกิดสังขารก็พเพราะจิตนี่แหละไม่รู้ เมื่อจิตไม่รู้แล้วเช่นจิตไม่รู้จักบาปอย่างนี้นะมันก็ใช้กายใช้วาจาไปทําบาปอเมื่อจิตไม่รู้ว่าทําอย่างนี้พูดอย่างนี้เป็นบุญกุศลอย่างนี้เมื่อมันไม่รู้แล้วมันก็ทําไม่เป็นนะกล่าบพระอย่างนี้ก็ไม่เป็นนะคนไม่รู้น ะ, ะบางคนก็เพียงแต่ ย, ยกมือไหว้เท่านั้นนะ ับางคนก็ก้กมหลวหัวลงหน่อยหนึ่งถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็เรื่องการกราบพระนี่มันก็ต้องนั่งคู่เข่าปนมือท่านเรียกว่าเบญจางข้าประดิษฐ์กราบประกอบไปด้วยองค์ห้าเข้าสองศอกสองหัวหนึ่ง ศอกก็เอาลงสู่พื้นทั้งสองศอกนั้นเข่าทั้งสองเข่าก็คุกเข่าไว้แล้วก็น้อมหัวลงพร้อมทั้งเหยียดมือออกไปให้ราบลงพื้นนุ่นให้หน้าผ่ามันก้มลงจดฝ่ามือนุ่นนันนั้นท่า น, นจึงเรียกว่ากราบถูกต้องตามทํานองครองธรรม นี่เมื่อไม่ไม่รู้แนละ้วก็ทำไม่เป็นน ะ, ะเพียงแต่ยกตัวอย่างให้ฟังแค่การกราบการไหว้นี้ก็ยังไม่รู้เนะนี่ยคำว่าอาวิชชานะแล้วเรื่องที่ลึกซึ้งกว่านี้มันจะไปรู้ได้ยังไงอนะเรื่องบาปบุญคุณโทษ อ, อย่างนี้นะไปรู้ได้ยังไงอนะแต่การกราบการไหว้นี้ยังยังทำไม่เป็นนะยังไม่รู้นะอะ ทีนี้เพราะมันไม่รู้จักว่าสิ่งนี้เป็นบาปล้ว น, นะจิตมันก็จึงคิดขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งตัณหามันจึงคิดอยากจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นนะมาเรียงรูปกายอันนี้มันจะคิดไปฉกไปฉวยเอาสมบัติของผู้อื่นมา เลี้ยงชีวิตของตัวเองและครอบครัวพวไม่รู้นั่นแหละมันจึงไปร่วงเกินสามีหรือภรรยาของคนอื่นในทางประเวณีเพราะไม่รู้นั่นแหละจึงเจตนาพูดเท็จพูดให้เคลื่อนคลาดจากความเป็นจริงหวังที่จะหลอกลวงคนไม่ฉลาดนั้นให้ หลงเห็นผิดไปตามคำพูดของจนให้เขาเสียทรัพย์เสียสินเพราะไม่รู้ว่ามันจะเป็นกรรมเป็นเวรตามสนองตนไปนั่นแหละมันดึงค่อยพูดเท็จคนเรานะเพราะไม่รู้นั่นแหละถึงได้ดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฟิน่นเฮโรอีน ของเสพติดใ้โทษต่างๆในโลกนี้เพราะไม่รู้ว่ามันมันมีโทษนึกว่าน้ำนี่มันดื่มเข้าไปแล้วมันทำให้เกิดความสนุกสั้นนานล่าเริงบันเทิงคล้ายๆกับวันจะต่ออายุให้ยืนยาวนานไปนู่นนะความรู้สึกของนักดื่มเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าเพราะไม่รู้นี่แหละจึงเป็นเหตุให้คนเราทําดีบ้างทําชั่วบ้างทําไม่ดีไม่ชั่วบ้างนี่ไม่รู้จักคัดเลือกหมายความว่างั้นแหละมันไม่รู้อ่ะถ้ามันรู้แคนี้มันก็รู้จักคัดเลือกนะรูะ้จักคัดเลือกว่าอันนี้คือความชั่ว เป็นความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นความชั่วเป็นมูลเหตุให้คนเราทำบาปกรรมใส่ตัวเองเอมันก็ละไม่สะสมความโลภโกรธหลงอันนั้นเนี่ยมันก็เพียนละออกไปเรื่อยๆละออกจากจิตใจนี่ละความโลภความตณีด้วยการให้ทานละความโกรธความ ปัญญาบาตต่างๆด้วยการสมทานมั่นในทิศและความหลงด้วยการเจริญภาวนาบ่อยๆภาวนาอาจ น, นรู้ตัวอย่างนี้ยนะจนรู้ตัวอะไรรู้ว่าขันห้าอันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไร ที่เราจะมายึดถือเอาไว้ด้วยอำนาจแห่งความพอใจความยินดีต่างๆนี่เพราะมื่อแล้วมันก็แตกกลับทําลายไปมันเป็นยาง้นมันไม่ตั้งยังย่งยืนอยู่ได้มาภาวนาลงไปจนมันรู้สึกตัวอย่างนี้จนรู้ว่า ดวงจิตหมายาดวงจิตนี่แหละมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงมาอาศัยอยู่สิ่งที่มันทนได้ยากทนลําบากมาอาศัยอยู่ในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของตนจริงจังอะไรเลยอย่างนี้มันทําให้เกิดความรู้ขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยท่านจึงเรียกว่าวิปัสสนา แต่ว่ารู้แจ้งตามความเป็นจริงดังนั้ น, น, นอย่าพากันประมาทผู้ดใดประมาทไม่ภาวนาไม่เพ่งพิจารณาให้เห็นขันธ์ทางห้าตามเป็นจริงก็หลงง่วงอยู่ในสงสารอยู่เนี่ยเพราะว่าเมื่อมันสําคัญว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วมันมันก็ไม่รู้ แย่งในบาปไปบุญในคุณในโทษต้องก็ใช้ขันห้านี่ไปทําบาปบ้างทําบุญบ้างไปอย่างนั้นเลอแล้วก็สร้างได้สวยผลทั้งสองอย่างนั้นเลยแต่คนละทีกันคลาวใดบุญให้ผลก็มีความสุขความเจริญไปคล้าวใดบาปให้ผลก็ได้ประสบความทุกข์ ความเดือดร้อนไปเป็นเง้นดังนั้ น, นผู้มีปัญญาท่านพิจารณาเห็นเหตุเห็นปัจจัยของชีวิตดังกล่าวมานี่นะจึงไม่ถือมั่นในขันห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนปล่อยวางแบบนี้นั่นเอง ปล่อยวางแล้วก็รวมจิตอยู่ตั้งมั่นเป็นปกติอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นพระอาราหาันต์ทั้งหลายท่านจึงไม่มีอารมณ์อะไรมากมายท่านไม่มีความคิดมากมายอะไรท่านคิดแต่ในเรื่องที่จำเป็นเท่านั้นเองเรื่องที่ควรจะคิดเท่านั้น เมื่อไม่มีเรื่องจำเป็นอะไรที่จะต้องคิดแล้วท่านก็สงบอยู่เป็นหนึ่งอยู่ภายใ น, ทนเท่านั้นเองสงบนิ่งอยู่พร้อมด้วยสติพร้อมด้วยญาณอันวิเศษที่ท่านได้ทำให้เกิดให้มีขึ้นแล้วนั้นดังนั้นแหละการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี่ ก็ให้พึ่งเข้าใจความมุ่งหมายที่แท้จริงนะความมุ่งหมายที่แท้จริงนะั่นก็อยู่ตรงที่ฝึกจิตนี่ไปให้มันละ ก, กิเลสไปเรื่อยๆแล้วมันจะได้เข้าสู่ความสงบอันยอดเยี่ยมที่ท่านเรียกว่าพระนิพพานดังสแสดงมา